เรื่องดีเรื่องชั่วอะไรก็ตามแต่เมื่อคิดแล้วก็ปล่อยวางไม่ถือมั่นไว้โดยความยินดียินร้ายโดยความเสียใจเศ้าโศกนี่เรีวยกว่าการที่ทำใจให้ก่อนไว้ไปอย่างนี้แสดงว่มมามันยึดมั่นในอารมณ์มันยึดมั่นในอารมณ์มมนนมที่ล่วงมาแล้ว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 มีใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างถ้าฝึกใจได้ดีอใจนี่มันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อใจไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นทุกข์ส่วนร่างกายอ น, นั้นมันเป็นธรรมดาของมันมันเกิดมาแล้วก็แปรปรวนไป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 คนส่วนมากนั่นไม่ค่อยบังคับจิตใจตัวเองมักจะปล่อยใจของตนให้ไหลไปตามกระแสของโลกโลกเขาสมมุติว่าอย่างไรก็หลงไหลไปตามสมมุติิยมของโลกนั่นยับยั้งใจไว้ไม่ได้ดังนั้นคนเรามันถึงได้ทาความชั่ว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 บาปอากุศลต่างๆไว้เป็นของดำนั่นนี่เป็นของดํามันของดํานี่แต่มันก็มีประโยชน์อยู่พูดถึงสีดํำอย่างนี่ก็ น, นิยมกันใช้วันนี้ของดําอารมณ์ที่เกิดกับดวงจิตนี่ทําจิตให้มัวหมองนี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลย แต่ของดำภายนอกนันยังมีประโยชน์ได้แต่การที่บุคคลมายึดอารมณ์อันชั่วร้ายไว้ในใจแล้วใจมัวหมองเข้าไปนั่นแหละเดินทันเดียวว่ายึดเอาอากุศลทำไว้มีแต่จะ ก, ก่อทุกข์ให้อย่างเดียวดังนั้นทุกคนให้เพึ่งพากันสังเกตดู ลักษณะของบุญและบาปะให้รู้แล้วเราเราก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะไปอยู่ลึกอยู่ขำที่ไหนก็อยู่ที่จิตดวงเดียวนี้เองถ้ามาเพ่งดูจิตใจตัวเองเข้าไปสังเกตจิตตัวเองไปทุกขณะทุกเวลาไปอย่างนี้มันก็รู้ได้ ขณะนี้จิตวิตกไปในทางกุศลก็รู้ได้ขณะนี้จิตใจวิตกไปในทางอากุศลก็รูอ้อันนี้ถ้าหาว่ามันด âm ฤติกโกรธใครต่อใครขึ้นมางี้นั่นแสดงว่ามันด âm ฤติไปทางอากุศลหรือถ้ามันด âm ฤติว่าอยากจะได้ของใครของผู้อื่นมาเป็นของตัวอย่างนี้ นั่นก็ชื่อว่าเป็นความดำริที่เป็นอกุศลเราต้องรู้นักษณะของความคิดที่เป็นอกุศลอย่างนี้ถ้าไม่รู้อย่างนี้แล้วเวลามันคิดไปเช่นั้นก็เลยไม่นึ ก, กว่าเป็นบาเป็นอกุศลก็คิดเรื่อยไปอย่างบางคนชอบโกรธใครต่อใครมาเป็นประจำถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ถือว่าเป็นบาปอากุศลอะไรเลยก็มีอย่างนี้แหละจนตนิดนิสัยใครทำอะไรไม่ให้พอใจมาแล้วก็โกรธขึ้นมาในใจโกรธในใจแล้วก็ยังไม่แล้วต้องแสดงออกทางกายทางวาจากระทบกระทั่งผู้อื่นให้เดือดร้อนไปตามๆกันอันโมนีบุคคลไม่ค่อยจะ สำนึกได้เลยว่าเป็นบาปอาคุศนเหตุนั้นถึงได้ยึดถือเอาไว้ถ้าผู้ใดมานึกได้รู้ได้ว่าความวิตกอย่างนี้มันเป็นบาปอาคุศนมันจะทำตนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนต่อไประลึกได้อย่างนี้มันก็ยับยั้งใจได้มันก็ไม่วิตกไปอย่างนี้แหละ เพราะนั้นคำว่าความรู้นี่นะมันจึงเป็นสิ่งสำคัญทุกคนต้องศึกษาต้องให้รู้ต้องให้เข้าใจลักษณะแห่งความดีและความชั่วต่างๆมูนี่ <Okay. S 1> ถ้าไม่ศึกษาพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนมันก็ไม่รู้่ะเอยงั้น <Okay. S 1> เช่นลักษณะของบุญกุศลของความดี ความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้นะเราก็ควรศึกษาให้เข้าใจเช่นเราคิดยินดีในสมบัติที่ตนหามาได้โดยทางที่ชอบใช้สอยบริโภคไปบ้างแจกใจให้แก่ผู้อื่นที่ควรให้บ้างไปอย่างนี้แล้วแม้สมบัติผู้อื่นจะมีมากเท่าไหร่ แล้วก็ไม่ไปวิตกวิจาร์อยากได้ของเขามาตนมีเท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นความดำริอย่างนี้เน่มันเป็นความดำริที่เป็นกุศลแปลว่าความคิดที่ประกอบไปด้วยปัญญาความฉลาดเป็นความคิดที่ไม่มีโทษหรือความคิด ที่ประกอบไปได้วยเมตตากรุณาเมื่อเห็นคนตกทุกข์ได้ยากลำบากก็ไปอย่างนี้ก็นึกสงสารเมื่อตนของตนนะ่ะได้ประสบความทุกข์เดือดร้อนอะไรอย่างนี้ก็คิดจะช่วยตนเองให้มีความสุขไม่ได้ปล่อย ตนเองให้เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นหรือเห็นคนอื่นมีความทุกข์เดือดร้อนอะไรก็คิดอยากจะช่วยเหลือให้เขามีความสุขความสบายไปไม่ไม่คิดแช่งซ้อมแม้ว่าคนนั้นจะเป็นคนไม่ดีก็ตามเป็นคนดีก็ตามเราไม่ลําเอียงเออ เราก็คิดช่วยเหลือกันไปเท่าที่จะช่วยได้ถ้าไปลำเอียงอยู่นั้น เ, เราช่วยจะคนดีคนไม่ดีตายข้างมันอย่างนี้มันก็จิตมันลำเอียงไปทางเกลียดชังมันก็ไม่เป็นธรรมอีกดังนั้นเราต้องทำจิตให้เป็นกลางเราก็คิดช่วยทั้งคนดีคนชั่วนั่นแหละ ในเวลาที่เขาถึงความวิบัติแม่ตัวเองเป็นทุกข์เดือดร้อนยังไงขึ้นมาก็พยายามช่วยตัวเองดําริในใจทำยังไรเราถึงจะแก้จิตใจที่วุ่นวายเดือดร้อนให้มีความสุขได้ให้มันสงบลงไปนี่ถ้าหากว่าไม่ด âm ริอย่างนี้ มันก็ไม่ได้มีอุบายอะไรเกิดขึ้นในใจที่จะแก้ไขจิตใจตัวเองให้สงบระงับลงได้ความดํารีดังกล่าวมานี่นะนด้ชื่อว่าเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นความดําริชอบเป็นความดํารีที่เป็นกุศลหรือว่าเป็นความฉลาดของดวงจิตผู้นั้น ในบรรดาท่านนักปราบบัณฑิตผู้ฉราดทั้งหลายท่านจะเป็นผู้มีสติประคองขิดให้คิดแต่ในทางที่เป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นทางที่จะก่อทุกข์ให้แก่ตนและผู้อื่นแล้วท่านจะไม่คิดไม่ดำริตรีตองไปเลยนี่เราทุกคนในเมื่อเราได้มาปฏิญญาณตน นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ลึกอย่างนี้นี่มันก็สมควรที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นนักปราบบัณฑิตได้แล้วก็ผู้มีคุณธรรมดังกล่าวมานี่นะก็เป็นนักปราบบัณฑิตได้ น, นั่นนะหมายความว่าผู้ใดมีปัญญาฉลาดสามารถละความชั่วออกไปได้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 แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วก็จะมาสรุปลงตรงนี้เองเนะี่ยสรุปลงตรงที่ทำยังไงเราถึงจะละความทั่วออกจากจิตใจนี้ให้หมดทำอย่างไรเราจึงจะทำความดีให้เจริญ ง, งอกงามขึ้นในใจนี้ได้เต็มที่ นี่แลลักษณะของบรรัณฑิตนักปราชญ์ก็ต้องมีความดำริถูกทางอย่างนี้ถ้าไม่ดำริอย่างนี้ก็จะละความชั่วไม่ได้เพราะว่าจิตใจนี่เมื่อไม่เกิดความคิดความวิจารณ์ต่างๆขึ้นมามันก็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 เราจะมานิ้งนอนใจอยู่นี่ไม่ได้ถ้าขืนนิ้งนอนใจอยู่เดี๋ยวความชั่วมันก็จะแย่งขึ้นหน้าความดีไปออชีวิตนี้ก็จะตกต่ำลงนี่เมื่อดำดิตรีตองได้ความอย่างนี้แล้วมันก็ไม่นิ้งนอนใจคนเรานละก็พยายามเลยทีเดียว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 ถ้าไปสะสมกิเลสอันชั่วร้ายไว้นในใจเช่นนี้นะบุญกุศลกจ็จะงอก ง, งามเจริญขึ้นไม่ได้ต้องให้เข้าใจอย่างนี้การที่เรานับถือพุทธศาสนาะแต่คนส่วนมากไม่เป็นอย่างว่านี้ดีก็ทำชั่วก็ทำปนเปกันไปไม่มีปัญญาที่จะคัดเลือกความชั่วออกจากตัว ไม่มีปัญญาที่จะสรรทำความดีใส่ตนของตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอันเรื่องดีก็ทำชั่วก็ทำมีอยู่ดาดื่นในโลกอันนี้นันเนี่เพราะฉะนั้นในฐานะที่เรานับถือพุทธศาสนานี่ไม่ควรที่จะให้พลาดจากภุษณคุณงามความดี ไม่ควรที่จะปล่อยให้ความชั่วมันหมักหมมอยู่ในใจของตนเราต้องพากเพียรพยายามภาวนาค้นหาความชั่วอันหมักหมมอยู่ในจิตใจนี้ให้พบถ้าบุคคลไม่ภาวนาไม่ทํารวมจิตให้สงบให้แน่วแน่ลงไปจะมองไม่เห็นความชั่วที่หมักหมมอยู่ในใจนี้เลย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 กิเลสอันชั่วร้ายนะี่มันก็เกิดขึ้นเวลานั้นทำใจให้เดือดร้อนวุ่นไวายไปอยู่อย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เด็ดดังนั้นการที่คนเราจะมาละความชั่วได้มันต้องอาศัยการอากเปลี่ยนพยายามอบรมจิตตัวเองขอสำคัญก็คือพยายามทำจิตให้สงบนี่แหละลงไป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 ไม่เป็นบุญกุศลอะไรเลยเป็นตะกี่เลอเป็นใจเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าว่าขืนปล่อยจิตให้เป็นไปอย่างนี้นี่จะไม่พ้นทุกข์ไปเลยคิดได้อย่างนี้แล้วก็เอาละสะกดมันลงไปคมมันลงไปใช้ขันติทมเข้าช่วยอดทนแข่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปแล้วก็ อธิษฐานใจว่าอาืมทีนี้เราจะไม่คิดไปไหนแล้วเราจะพักจิตเราจะหยุดนิ่งอพอคิดมามากแล้วมันเป็นทุกข์วั น, นี้ความหยุดได้ความหยุดนิ่งได้นี่เป็นความสุขดังนั้นใครๆก็ต้องการความสุขเมื่อต้องการความสุขต้องฝึกจิตให้มันหยุดนิ่งให้ได้ เมื่อได้ดระลึกได้อย่างว่านี่แต่มันก็เอาเเอะไรเฮ่งเข้าไปเฮ่งความรู้สึกอันนั้นหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อยู่อย่างนี้นะพยายามใช้สติประคองจิตไว้ให้มันรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้น ถ้าทำได้อย่างนี้ไปไม่นานจิตใจมันก็หยุดคิดลงได้ที่มันเคยคิดต้านไปในเรื่องนู่นเรื่องนี้ไปมาแต่ก่อนนั่นมันก็ค่อยเบาค่อยเบาลงเบาลงในที่สุดมันก็หยุดลงได้แต่ธรรมดาเนะี่เมื่อพุชผู้ที่มาฝึกทีแรกมันก็เผลอไปบ้างเมื่อเผลอไปแล้วก็ตั้งสติไหม สั้งสติเห่งความรู้สึกอยู่ภายในพร้อมกับลมหายใจเข้าหายใจออกความรู้สึก น, นั้นแ่ะคือดวงจิตไม่ใช่อย่างอื่นใดดวงจิตนี้ไม่ใช่ว่ามันมีรูปร่างอะไรนี่ไม่มีไม่มีรูปร่างไม่มีสีสันวันนะอะไรเลยมีความรู้สึกอย่างเดียวนั้นนะอันนี่ความคิดต่างๆมันก็เกิดขึ้นมาจากความรู้สึกอันนั้น ดังนั้นเราจึงพยายามฝึกสติมันเข้มแข็งเข้าไปประคองความรู้สึกอ น, นั้นไว้อย่าให้มันคิดเบื้องต้นนี่นะให้มันหยุดคิดไปชั่วคราวก่อนเ <ừ> มื่อเราพยายามเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกไปอย่างนั้นเมื่อจิตใจนี่มันความคิดมันอ่อนลงอ่อนลงลมหายใจมันก็เบาลง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 ก็จะต้องเกิดความเสียใจน้อยเนื้อต่าใจลงไปคิตใจอ่อนแอลงเช่นนี้เวลาเช่นนั้นควรหาอุบายปลอบใจให้ได้วายที่ปลอบใจนั้นคือหมายความว่าอันธรรมดาผู้ที่น้อยเนื้อต่าใจลงไป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 ความดีเหล่านั้นมันยังไม่มีกําลังแก่กล้าพอที่จะมาต่อสู้กับความชั่วที่ตนพลังเหอยึยดถือมันไว้ดังนั้นความชั่วมันถึงลบควรจิตใจนั้นให้เกิดวิปริตไปต่างๆอย่างว่านั่นเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็หวนนึกถึงความดีที่ตนทํามาเป็นอารมณ์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 โศกเศร้าเสียใจน้อยเนื้อต่ำใจต่างๆนั้นมันก็เบาไปเบาไปนี่แหละอุบายวิธีปลอบใจนะถ้าหากว่าเวลาที่จิตใจมันเป็นอย่างนั้นยิ่งไปใช้อุบายโลดผลต่างๆนั้นนาบางคนก็ไปแช่งตัวเองด่าตัวเองอยู่ในใจนั้นก็มีตัวเองหากไม่ดี ตัวเองเป็นคนเลวเป็นคนชั่วอพอไปใช้อุบายโลดผลต่อตอนเองเข้าไปอย่างนั้นเท่าไรใจมันยิ่งตกต่ำลงไปเรื่อยๆไม่มีทางที่มันจะยกขึ้นสูงขึ้นไปไดอ้อย่างนั้นต้องให้เข้าใจไว้ทีนี้เมื่อเรายกเอากุศลคุณงามความดี หรือคุณพระรัตนไกรมาเป็นอารมณ์ได้จิตใจกลับคืนเป็นปกติไม่หน่อยเนื้อต่าใจแล้วก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาไปด้วยอำนาจในความอยากดังกล่าวมานั้นเมื่อรู้ว่าใจเป็นปกติตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีอย่างว่านี่นะก็มีสติสมบัติเนญญประคองจิตนั้นไว้รักษาความดีนั้นไว อย่าให้มันเสื่อมเมื่อรักษาบุญกุศลคุณพรัฒนาไกลให้ตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของตนได้บุญกุศลมันก็ไม่เสื่อมแบนี้นะตนก็อยู่ด้วยบุญอยู่ด้วยคุณแบนี้แต่ละวันแต่ละคืนเอาบุญเอาคุณนั่นเป็นกำลังใจเป็นเกาะก้องกันตัวผู้ที่หนักหนักแน่นอยู่ในบุญในคุณแล้ว แม้จะมีเรื่องชั่วกระทบ ก, กระทั่งมาแต่ภายนอกมันก็ไม่หวั่นไหวออืเพราะว่าความดีของตนมันรวมกําลังกันอยู่ภายในเกาะป้องกันตัวอย่างนี้หรือว่าเขามีบังเกอร์อะไรถ้าถึกยิงมานี่มันก็ไม่ถูกออืถูกก็ไปถูกบังเกอร์หรือไปถูกเกาะหุ้มตัวอยู่แล้ว น, นะ ลูกกระสุนมันก็เจาะเข้าไปไม่ถึงร่างกายมันก็กระเด็นไปทางอื่นซะอุปมานี่ก็เช่นเดียวกันเมื่อจิตใจของบุคคลผู้ใดมั่นอยู่ในศีลอยู่ในธรรมมั่นอยู่ในบุญกุศลอย่างสนิทสนมจริงจังแล้วอย่างนี้มันก็จะไม่หวั่นไหวต่อความชั่วที่มันกระทบกระทั่งมาแต่ภายนอกเมื่อใจไม่หวั่นไหว ไปตามความชั่วเหล่านั้นแล้วอารมณ์แห่งความชั่วเหล่านั้นมันก็ดับไปมันจะไม่ตั้งอยู่ได้เลยในเมื่อจิตไม่ยึดถือเอามันแล้วมันก็ดับไปเองมันแต่ที่มันไม่ดับนั้นเพราะใจมันไปยึดถือเอาต่างหากนี่แหละใจยึดเอาไว้เมื่อใจยึดเอาความชั่วไว้ความชั่วนั้นเป็นของร้อน มันก็เผาใจให้ร้อนแบนี้นอ่เป็นไงนเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เพิ่งพากันเข้าใจอคนธรรมดาสามัญ น, นี่นะมันมีทั้งดีมีทั้งชั่วอยู่ในจิตใจนี่ดังนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจเราจะไปเข้าใจว่าเราไม่มีความชั่วอแล้วก็เฉยเรื่อยไปเลยไม่ได้ฝึ ก, กจิตใจ ไม่ได้เพ่งใจของตนลงไปมันก็ไม่เห็นเลยไม่เห็นความชั่วถ้าผูใ้ใดอยากเห็นความชั่วแล้วนั่งภาวนาเนะเพ่งเข้าไปเมื่อใจมันถูกเพ่งมันจะสงบลงไปถ้าความชั่วมันมีความชั่วมันก็ผลักดันขึ้นมามันจะไม่ยอมให้จิตนังสงบลงไปได้นี่จิตมันก็พุ่งไปแล้วบบบนี้นะถ้าหากว่า สติไม่แก่กล้าพอก็รู้ได้เลยว่าเออมีความชั่วมีอยู่ในใจของตนแน่นอนถ้าหากว่าไม่มีความชั่วอยู่ในใจนั้นนอนจิตลงสู่ความสงบมันก็ลงไปเลยมันก็สงบดิ่งลงไปมันก็คลายอารมณ์ต่างๆออกไปหมดเลย ใ, ใจก็รวมลงเป็นหนึ่งอยู่ได้ พร้อมด้วยสติสัมปชัญญะรู้ว่าจิตไม่มีกังวลอะไรในขณะนี้จิตไม่ยึดถืออารมณ์อันใดก็รู้ตัวอยู่นั้นเนี่ยการที่บุคคลจะมาละกิเลสตัณหาตั้งแต่อย่างหยาบจนถึงอย่างกลางอย่างละเอียดได้นะมันต้องอาศัยการมาฝึกฝนจิต ตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนนั้นนะดังที่ที่แจงมานี่เนะี่ยฝึกจิตให้สงบลงไปก่อนเป็นบทบาทเบื้องต้นเลยทีเดียวแต่นั้นแหละถ้าพูดแล้วนะมันก็มีมูลเหตุมาแต่เบื้องต้นนุ่มกลัวว่าบุคคลจะทำใจให้สงบลงไปได้ก็ต้องไปผู้มีศีนลนะ ต้องไปทำบาปถ้าบุคคลใดยังไปทำบาปอยู่นี่นะจะไปนั่งภาวนาทำใจให้สงบนี่ไม่ได้เพราะว่าบาปนั้นมันบรบกวนจิตใจเรื่อยไปทีเดียวเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะจะให้ครบวงจรแท้ๆนะการฝึ ก, กจิตที่มันจะละที่เลยบาปทำได้แนละ้วมันต้องเริ่มแต่สิ่นะี เมื่อชำระสินให้บริสุทธิ์แล้วอย่างนี้มาบําเพ็ญสมาธิมันก็เป็นไปได้เพราะว่ามันไม่มีบากมาล ก, กวนนะถึงจะมีอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ที่อ่อนๆความคิดความนึกที่ไม่รุนแรงความคิดที่ไม่รุนแรงอย่างว่านั้นเราก็สามารถที่จะสะกดจิตลงไปเอาชนะมันได้ จิตสงบลงไปแล้วมันก็ดับไปเองอารมณ์อ่อนๆเ่า้นี่ะอารมณ์ที่ไม่เป็นบาปอากุศนอย่างรุนแรงนะนั่นนี่ท <c oughs> ี่จิตมันสงบลงไม่ได้นั่นเพราะอาศัยกิเลสยังหยาบมันมีอิทธิพลมากนั่นนี่กิเลสยังหยาบก็หมายถึงบาปอากุศนนั่นเองเนี่ยดังนั้น เมื่อว่ามีศีลแล้วอย่างนี้บาปอากุศลเหล่านั้นมันก็ระงับไปแต่ศีล น, น, นนะู่นนะดังนั้นมันก็ยังเหลือแต่บาปอย่างกลางนี่บาปอย่างกลางนี่มันก็มีกำลังอ่อนลงไปกลัวอย่างที่แรกนั้นการทําความเพียรเจริญสมาธิภาวนาก็ไม่ได้ยุ่งยากเกินขอบเขต ไม่ได้ผูกกล้ำกันเกินไปอราพยายามไปไม่นานใจมันก็รวมลงได้สงบลงได้เช่นอย่างว่าพูดถึงนิวรณ์ห้านั่นความรักความชังอย่างนี้มันก็อ่อนลงแล้วไม่รุนแรงเหมือนอย่างความรักความชังในเบื้องต้นนั่นมันคิดไปเฉยแต่ไม่กล้าที่จะไปลงมือทํา คิดรักอะไรก็ดีหรือว่าคิดเกลียดทางใครก็ดีไม่กล้าที่จะไปลงมือประหัสประหางเขาไดความคิดกะเพทอย่างกลางนี่นะมันเปน็นยางไนฉะนั้นเมื่อเราเพ่งจิตลงไปเมื่อเพ่งอนาปานสติกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าไป ไอความวิตกฟีจานเกี่ยวกับเรื่องรักเรื่องชังวันนั้นมันก็ค่อยเบาลงเบาลงเป็นอย่างนั้นในประถมชาติน่ะนะนัานว่าเอกคตาจิตนมันระงับซึ่งการวิตกได้เนี่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นการทําใจให้เป็นหนึ่งลงไปเนี่ยมันทําให้กามรวิตกพยาบาทวิตกต่างๆวันนั้นระงับลงไป เมื่อใจมันเป็นเอกคัาตาลงไปแล้วมันก็มีกำลังเข้มแข็งความง่วงเหงาเหานอนอะไรมันก็ครอบงาไม่ได้เพราะว่าใจที่เป็นหนึ่งแล้วมันเบิกบานมันเข้มแข็งด้วยอย่างนั้นความง่วงเหงาก็ไม่มีแล้วความพุ่งสร้างก็ไม่มีแล้วมันจะมีได้ยังไงมันรวมลงเป็นหนึ่งแล้วแล้วความสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษก็ไม่มี เพราะว่าเมื่อทําใจให้สงบแล้วมีความสุขได้อย่างนี้เนะ่ะมันจะไม่สงสัยอะไรอ ะ, อะก็รู้ได้เลยว่าออนี่บาปตงับไปจากจิตแล้วจิตนี่มีแต่บุญกุศลเท่านั้นเป็นเครื่องอยู่ดังนั้นมันจึงไม่สงสัยแล้วอัน อ, อุบายวิธีทําจิตใจให้สงบลงไปได้อย่างนี้แล้วไม่สงสัยเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษ เมื่อที่เรศเหานี้มันระงับลงใจมันก็ตั้งมั่นอยู่ได้นานเป็นอย่างนั้นความรู้สึก น, นั้นก็เป็นปกติอยู่เรื่อยไปเรียกว่ามีความรู้สึกเฉยเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับอะไรต่ออะไรอย่างนี้แหละเอา้าทุกเกิดขึ้นก็ไม่ยินดีในสุขทุกเกิดขึ้นมาก็ไม่ยินร้ายในทุก รู้ว่าจิดนั้นเป็นกลางอยู่นี่การบำเพ็ญทางจิตใจมันก็ค่อยลึกเข้าไปโดยลำดับอย่างนี้แหละแล้วต่อจากนั้นก็เจริญปัญญาวิปัสสนาได้เลยแบบนี้ได้สำหรับท่านที่มีวาสนานะท่าน จเจริญสมาธิแบบดำเนินในตามองค์ฌานที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้นั่นนะท่านเข้าฌานไปโดยลำดับลาดับอย่างนี้ท่านก็ทำได้แต่คนที่ไม่มีบุญวาสนาที่จะได้บรรลุฌานอย่างนั้นนะไม่สา ม, มารถที่จะไปทำอย่างนั้นได้ให้จนถึงจะทุดฌานลงไปอย่างนี้นะ มันทำไม่ได้เพราะว่าเมื่อผู้บำเพ็ญสมาธิหรือว่าจเจริญฌานเข้าไปจนถึงจตุธาฌานอย่างนี้มันจะเหลืออยู่แต่เอกัขาตากับอุเบกขาเท่านั้นนะมนเป็นงั้นแล้วลมหายใจก็ละเอียดจนแทบไม่ปรากฏเลยนี่ ลักษณะของจจสุทธฌานนะดังนั้นท่านจึงสามารถแสดงฤทธิต์ต่งางๆนานาได้ก็เพราะว่าจิตละเอียดเข้าไปโดยลำดับเป็นอย่างนั้นแต่ถึงอย่างไรผู้ที่ไม่ได้ไม่สามารถที่จะเข้าฌานได้หรือบรรลุฌานอย่างว่านั้นก็ไม่เป็นไร ระบำเพ็ญจิตให้เป็นสมาธิลงไปให้ถึงอุปจาระสมาธิเข้าไปแรือ ว, ว่าสมาธิใหญตั้งมั่นใกล้ๆกับฌานนี่แหละเจียดๆไปหาฌานนะอย่างนี้ก็เป็นบาทแห่งวิปัสสนาได้สามารถเจริญปัญญาพิจารณาสังขาร น, นามรูปนี่ให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงได้ อันนี้หละเรื่องของวิปัสนาอันคนที่ไม่ได้เจริญวิปัสสนานี้มันจะไม่รู้เรื่องภาตุปีขันหานี้ได้อย่างแจ่มแจ้งเมื่อไม่รู้โดยแจ่มแจ้งได้ก็ไม่เกิดความเบื่อนายเมื่อไม่เบื่อนายมันก็ไม่คลายความยึดความถือมันก็หลงหยึดหลงถือเอาว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้น ทาถ้าหากว่าปัญญาวิปัสสนามเกิดขึ้นแล้อย่างนี้แต่จะต้องได้พิจารณาได้เห็นสังขาร น, นามรูปอันนี้มันเกิดแล้วดับไปอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเที่ยงยั่งเงย็นเลยรูปก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดนี้ก็ดีมันก็มีเกิดมีดับอยู่อย่างนั้นนั่นแหลถ้าเพ่งมากๆเข้าไปพ็เห็นแต่ดับอย่างเดียว เห็นแต่ดับอย่างเดียวเท่านั้นมันความรู้มันละเอียดเข้าไปความเมื่อมื่อเห็นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีนจะดับไปดับไปเท่านั้นอมันถึงได้เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาวันนี้เอ๊ะเราจะไปยึดถือเอาของไม่เที่ยงนี้ไว้ทําไมยึดแล้วมันจะได้เป็นแก่นเป็นสารหรือไม่มีเมื่อยึดเอาของไม่เที่ยงไว้จิตใจนี้มันก็เลยวันไว้ไปตามสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้น ท่านจึงบัญญัติว่าทุกขังแปลว่าทนได้ยากร่างกายนี่ก็ทนอยู่ไม่ได้คิดใจก็ทนอยู่ไม่ได้กระวนกาะวายกระสับกระสายอยู่อย่างนั้นนี่แหละคำว่าทุกข์กายทุกใจนะมันทุกใจนี่เกิดจากอุปาทานใจมายึดมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อขันห้ามันวิบัติแปรปรวนไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อน ทกกายกายนี่แม้ว่าบุคคลจะบำรุงมันรักษามันยังไงให้อยู่ดีกินดีสักเท่าใดมันก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนอยู่ได้มันก็วิบัตแปลโบนไปอยู่อย่างนั้นบันนี้เมื่อร่างกายมันวิบัตแปลโปบนมันก็กระทบกับจิตนี้เจ็บตรงนั้นมันก็รู้สึกปวดตรงนี้มันก็รู้สึกอโอ้ปวดหลังปวดเอว ปวดศีรษะปวดท้องนี่ถ้าปวดท้องท้องมันก็ว่นไหวไปมาไม่ปกติอยู่ได้นั่นแหละท่านเรียก ว, ว่าทุกขลักษณะแปลว่าลักษณะของความทุกข์แต่ผู้เสวยทุกคือดวงจิตส่วนร่างกายนั้นมันมันเป็นตักษณะแห่งความทุกข์เท่านั้นมันไม่มีผู้เสวย เพราะมันไม่มีความรู้สึกอะไรธาตุสี่ขันห้าอันนะั้นความรู้สึกมันอยู่ที่ดวงจิตดวงนี้เป็นอย่างนั้นดังนั้นผู้สบถุกแท้ๆเราก็คือดวงจิตนี้ทีนี้เมื่อดวงจิตนี้รู้เท่าธาตุสี่ขันห้าตามเป็นจริงลงไปแล้วจิตนี้ก็เลยไม่เป็นทุกขอ์อันนี้ไม่กระวนกระวายหมายกระวายางั้น แต่ความรู้สึกความรู้สึกทุกข์นั้นมีอยู่แต่ว่าจิตไม่กระวนกระวายไปตามความทุกข์นั้นพระพุทธเจ้ายังได้ทงรงตรัสว่าทุกข์าั้งอริยสัจจังความทุกข์อนมันเป็นธรรมของจริงอันหนึ่งมันมีจริงนะแต่เมื่อจิตท่านผู้มีปัญญารู้แจ้งแล้วท่านรู้เท่า ไม่ยึดเอาถือเอาความทุกข์อันนั้นแล้วจิตท่านก็ไม่เป็นทุกข์มันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจกันเมื่อจิตไม่ยึดถือแคอย่างเดียวแล้วความทุกข์ทางจิตก็ไม่มีอะไร<ม>เนี่ยท่านจิงว่านี้โลดแปลว่าความดับทุกข์คือว่าดับความอยากความปรารถนาอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากให หายโรคไายภัยอยากให้ยั่งยืนนานไปตลอดการอย่างนี้นะความอยากเหล่านี้ไม่มีในดวงจิตนั้นระงับไปหมดแล้วเมื่อความอยากอย่างนั้นระงับไปหมดแล้วความทุกข์ทางจิตก็ไม่มีที่จิตมันเป็นทุกข์นะลองสันนิษฐานดูเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงนะพอเจ็บหัวปวดท้องอะไรขึ้นมาแล้วก็ ความอยากนะี่มันมาพร้อมโอ้ยอยากให้มันหายทำอย่างไรหนอะมันถึงจะหายวิตกวิจารยอยู่ยนั่นแล้วเมื่อไรเนาะมันถึงจะหายพอวิตกไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเดือดร้อนไปเท่านั้นจิตนี่นะเพราะว่าความอยากให้มันหายแต่ว่ามันไม่หายตามความคิดมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านผู้ได้เจริญปัญญาวิปัสสนามารู้แจ้งสังขารนามรูปตามเป็นจริงดังกล่าวมานั่นแล้วเวลาร่างกายสังขารอันนี้มันวิบัติลงก็ไม่วิตกอย่างนั้นเลยก็กําหนดรู้ว่าสังขารไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอนัตตาเนีมันบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในบังคับปัญชาของผู้ใดมันก็เป็นอย่างนี้แหละธรรมดาของมันก็เป็นอย่างนี้ แต่มันก็ไม่ใช่ของเราเมื่อมันรู้ชัดอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยตามสภาพแล้วแต่มันจะแปรปรวนไปแต่ไม่ใช่ว่าจะไปทอดทุนละโดยประการทั้งปวงหมดเลยจะไม่ต้องรักษายีวยามันแหละถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยลงอ้อปล่อยตามเรื่องมันจะหายก็หายไม่หายก็เลี้วแต่มันไม่ไม่ไม่ได้หมายอย่างนั้น อันนี้หมายเอาอุบายแยบภายในใจน้่นต่างหากแต่ถ้ามีใครเอาหยุกเอายามาให้รับประทานถ้าถ้าใครญาติญาติเชิญหมอมารักษาดูแลก็เอาเปิดโอกาสให้หมอรักษาดูแลไปเมื่อหมดความสามารถของหมอแล้ว หมอยกเลิกแล้วอย่างนี้มันก็เออแบบ น, นี้เราก็ทอดทุระลงไปทั้ ง, งหมดเลยแบบ น, นี้มีแต่โปรงสังขารลงไปไม่ต้องไปเดือดร้อนกับมันเพียงประคองจิตตรงนี้ให้กำหนดรู้เห็นตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นจนกลัวมันจะสิ้นสุดลงแห่งสังขารหรือชีวิตอันนี้ นี่แหละอุบายอบอรมจิตใจเพื่อถอนตนออกจากทุกข์ภายในวัฏสงสารนี้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำสั่งสอนมาโดยลำดับนั้นนะก็เมื่อได้ยินได้ฟังกันแล้วก็ขอให้พานกันตั้งอยู่ในความไม่ประ ม, มาท เพราะว่าเราได้อัตภาพร่างกายอันนี้มาด้วยบุญกุศลตกแต่งให้แล้วนะเราได้อาศัยร่างกายอันนี้แหละเจริญสมาธิภาวนาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นหรือว่าเราได้อาศัยกายวาจาใจอันนี้แหละสั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆให้เกิดขึ้นได้ถ้าไปได้อาศัยร่างอย่างอื่นแล้วไม่มีทางที่จะได้สะสมบุญกุศล จะได้เจริญสติปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปได้อย่างที่ดวงขีดได้อาศัยประร่างของมนุษย์เนี่ยไม่มีออย่างไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นไปร่เป็นอสุรกายเป็นสัตว์ดีอะไฉานไปแล้วอย่างนี้นะไม่มีทางที่จะได้บำเพ็ญกุศลความดีอะไรเลยเ อ, อถ้าไปไปเกิดเป็นเทวดานี่ก็นับว่าอยู่ในขั้นดี เพราะว่าเมื่อพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ่ในโลกแล้วเสด็จไปแสดงพระอภิธรรมโปรดพุทธมารดาตามประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เทวดาเหล่านั้นได้มาฟังพระอภิธรรมเทศนาก็สามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ตามวาสนาบา ร, รมีของตนนี่แหละเพราะฉะนั้นผู้ใดรู้วิถีชีวิตของตน ว่ามีเหตุมีปัจจัยเป็นมาอย่างไรตามที่แนะนําสั่งสอนมานี้แล้วนะก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจภาเพียรพยายามสละความชั่วออกไปจากกายวาจาใจกุศลให้ได้พยายามประกอบกุศลความดีฝึกจิตใจนี้ให้หนักแน่นอยู่ในธรรมอยู่ในบุญในกุศลเออบรมจิตที่ให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้น เรลาจะได้ถอนตนออกจากทุกภัยในวัฏสตรตรงสารได้ตามกำลังปัญญาบา ร, รมีของตนของตนนังแสดงมาขอยุตติลงเพียงเท่านี้